และเอาตัวคุณหญิงไปอีกคนหนึ่งดารินยิ้มจืดๆยักไหล่พึมพำออกมากระตนเองว่าขอบคุณสวรรค์ที่เกะเข้ามาบอกข่าวให้พวกเราเตรียมป้องกันและรับมือทันซะก่อนเชิถากระชยยันก็ถอนใจลึกออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวแต่ก็รู้สึกเบาใจขึ้นถนัดความหวังที่จะติดตามกู้ชีวิตมาเรียฮอกมันซึ่งแต่แรกมืดมนทั้งสิบทิศ บัดนี้เริ่มพอจะเห็นทางขึ้นแล้วองไรก็ตามปัญหาหนักใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่ดีเมื่อพิจารณาถึงกำลังของพวกสางเขียวซึ่งจากเท่าที่เห็นการนำพลบุกเข้าโจมตีและจากคำสารภาพของลูมีจำนวนเทียบได้กองพันย่อยๆ ทุกคนสู้รบกันอย่างบ้าคลั่งเพราะความงมงายเชื่อถือในลัทธิอุบาทของมันแล้วคุณตกลงกับเจ้านี่ไว้ายังไงชายันบุยปากไปทางบุตรชายของหัวหน้าสางเขียวพร้อมกระย่างเสียงผมก็ทําให้มันเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะ่ยมันเป็นตัวประกันของฝ่ายเราถ้าไม่รอดชีวิตกลับคืนมาถึงมือเราได้มันก็อยังมีชีวิตรอดไปเพราะฉะนั้นมันต้องรู้หน้าที่ดีว่า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 โดยมีเจ้าลูเป็นตัวประกันเพื่อนแรกกับตัวเมกลับอย่างนั้นก็ไม่อยวิธีเดียวเท่านั้นล่ะครับส่วนการเจราจาขอแลกตัวจะเป็นไปโดยสันติวิธีหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์ครับพรานใหญ่ตอบอย่างใคร่ครวญคุณคิดว่ามันจะยอมแลกตัวเมกับลูกชายของมันไหมหวัวหน้าคณะกล่าวมาด้วยเสียงเกือบจะเป็นกระซิบระพินยิ้มกราน แววตาที่มองตอบนายจ้างเป็นประกายคลางแคลงนิ่งไปครู่ก็ใส่น่ะอันนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันแหะครับแต่อย่างเสียงเจ้าลูดูแล้วลําพังตัวมันเองขณะนี้ย่อมไม่มีปัญหามันต้องการที่จะไถ่ตัวมันเองโดยแลกกระเมร์อย่างเต็มใจถึงซูซูพวกพ่อของมันก็ไม่น่ากังวล น, นักเพราะจะต้องเห็นชีวิตลูกสําคัญเหนืออะไรทั้งสิน้นปัญหาที่น่าคิดมันไปอยู่ที่มุมบา หอผีที่ปรึกษาซึ่งทำตัวเป็นตัวแทนของเทวรูปอินคามันน่ะมีอำนาจชะยิ่งกว่าซูซูซะอีกเพราะสสงเขียวทั้งหมดรวมทั้งซูซูเองก็ต้องเชื่อฟังมันจะมุมบามีหวังทำให้แผงเจราจาแล่ตัวโดยสันติของเราอาจาต้องกลายเป็นศึกใหญ่ขึ้นอีกครั้งข้อเท็จจริงที่เรารู้กันได้ก็คืออินคาไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างนอกจากท่อนหินแกะสลัก ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่เจ้าหมอผีมุมบานึ่งคนเดียวสุดแต่ว่ามันจะบงการประกาศสิทธิ์เช่นไรในหมู่สางเขียวโดวยอาศัยรูปหินสลักเป็นเครื่องมือลูเป็นลูกชายของซูซูไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้ามุมบาซูซูยอมมุมบาอาจไม่ยอมก็ได้ซึ่งข้อนี้เจ้าลูมันก็ไม่รับรองเหมือนกันมันรับกับเราได้อย่างเดียวว่าจะนําทางเราขึ้นไปจนถึงชมรมของพวกมันแล้วก็ยอมรับรู้แล้วว่า หากเกิดอันตรายใดๆขึ้นมันจะต้องตายก่อนเป็นคนแรกเชิตาพยักหน้าช้าๆเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงแล้วกล่าวอย่างระมัดระวังว่าถ้างั้นก็มีอยู่สองวิธีสำหรับการบุกเข้าไปของเราคือหนึ่งอย่าต้องเข้าไปให้ถึงตัวซูซูและมุมบาโดยที่เราไม่เป็นฝ่ายเสียปริยบหากเกิดอะไรขึ้น 2.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 ใช้ยันพึมพำกับตัวเองตาเป็นประกายขึ้นด้วยความหวังแต่ดารินหอไหลลงอย่างสยองใจกระสิบวะท่าำกลางเจ้ามนุษย์กินคนแล้วก็ในเงื้อมือพิธีกรรมอุบาทของเจ้าหมอผีมุมบานั่นเหรอถึงไม่ถูกฆ่าเมก็อาจช็อกตายไปแล้วก็ได้แล้วนักมานุษยวิทยาสาวผู้โชคดีกว่านักนิรุกติศาสตร์ซึ่งถูกฆ่าตัวเอาไปแล้วก็หันมาทางพี่ชาย พูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวการได้ตัวเจ้าหนี้ไว้เป็นประกันแผนติดตามของเราก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วยแทนที่จะออกเดินทางกันคืนนี้ก็เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เช้าพี่ใหญ่ไม่คิดว่าน้อยกระชา ย, ยันควรจะสมทบไปด้วยหรือคะยังน้อยก็มีปืนเพิ่มขึ้นอีกสองกระบอกทางนี้ไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยนี่คะก็ให้จันท์เกิดเสยเฝ้าอยู่สามคน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 พรานใหญ่สั่งให้บุญคำมัดติดไว้กับหินก้อนหนึ่งกลางแคมป์ใกล้กองไฟอย่างแข็งแรงป้องกันไม่ให้มันฉวยโอกาสหลบหนีไปได้แล้วพยักหน้าเรียกเจ้าตองเหลืองเกะเข้ามาถามว่าเจ้าจะไปกับพวกเราด้วยหรือไม่ละ่ะพรุ่งนี้ไปเกะตอบสั้นๆชำเนืองตาวาวอย่างไม่น่าไว้ใจไปยังลูผู้ถูกมัดนั่งพิงโขดหินอยู่ถ้างั้นดีละ เจ้าคงรู้แล้วสิว่าเจ้ารู้จะต้องเป็นคนนำทางเราไปยังถิ่นของมันอย่าคิดอาฆาตจ้องจะทำร้ายมันนะเพราะถ้ามันตายซะก่อนเราจะไปไม่ถึงถิ่นสางเขียวชายตองเหลือเสียขเขียวนิ่งไปครู่ก็กล้มหัวลงเกือเชื่อนายเกือจะไม่ทำอะไรมันแล้วมันก็ถอยหายเข้าไปในซอกหินที่อาศัยนอนพรานใหญ่กระซิบสั่งจันทร์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 ต่างพริกกระสับกระสายอยู่ไปมาแม้แต่รพินผู้เป็นคนหลับง่ายที่สุดเขาพยายามปิดตาทว่าประสาททุกส่วนตื่นพร้อมไม่มีอาการอ่อนเปลียลงเลยประมาณสองนาฬิกาชา ย, ยันก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมาอย่างกระวนกระวายเชิฐาและดารินพลอยลืมตาสว่างโพลงขึ้นเพราะไม่หลับเหมือนกันมีอะไรเหรอเชตถาถามเบา สหายของเขาสั่นศร่ศัก์และถอนใจเฮือกลาวรก์กอยากจะรู้แต่เพียงว่ามีพวกเราคนไหนหลับบ้างไหมหรูว่ามีชั้นคนเดียวที่ดันตาค้างอยู่ได้ไม่ง่วงสักนิดทั้งสามมองดูหน้ากันแล้วก็สังเกตเห็นทุกคนที่นอนอยู่ไหวตัวระพินผู้นอนห่างออกไปทางด้านหนึ่งค่อยๆ ย, ยันกายลุกขึ้นรองบอกมาเบาๆว่าไม่มีใครหรอกครับไม่มีใครหลับหรอกครับคุณชายยาัยญา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 เขก็เตะค่อนข้างแรงไปที่เข่าของอดีตนายทหารกองโจนกรเรียงแทนการปลุกในขณะที่นายจ้างภาคันยืนงงไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ในขณะนั้นเงาไซสะดุง้งลุกพรวดพลาดขึ้นโดยเร็วเอามือแก้ผ้าที่พันหน้ากระหัวออกพอมองเห็นทุกคนยืนจ้องรายล้อมอยู่ก็ยิงฟันผู้กองมีอะไรจะใช้ผมนะครับฟานใหญ่หัวเราะหึอหอ่อยู่ในลําคอ จ่องใบหน้าอันวางเฉย อ, อย่างสนิทนั้นขม็งในคืนที่เราหลับแกตื่นและในคืนที่เราตื่นกันหมดทุกคนแกหลับพับผ่าสิมันต้องมีการอธิบายกันเส็แล้วเจ้าคนซื่อเขาพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่กลัวไปกระหัวเราะเป็นปกติสะกดกลั้นความรู้สึกภายในเอาไว้เมย์ใส่กระพริบตาปริบๆแล้วตอบมาหน้าตาเฉยเช่นเดิม ก็ถ้าจาไม่ผิดผมได้รับคำสั่งจากผู้กองให้นอนหลับนี่ครับใช่ระพินกระชากเสียงหนักๆพร้อมกับพยักหน้าเนิบลงลูบมือทั้งสองไปมาเ ข, ข้าหากันไปมานี่ทำไมมีนายจ้างทั้งสามอยู่ด้วยในขณะนี้เขาก็หมอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเจ้าแงซ้ายจะเจออะไรเข้าบ้างอย่างน้อยก็คงเป็นบาทาที่เวียงเขาให้สักพลัน่นี่แกจะไม่อธิบายหน่อยเหรอ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 พระทุดงที่เลี้ยงผมมาท่านบอกไว้ว่าเงาสายอาาปากค้างอยู่แค่นั้นเองทำหน้าพิกลเฉทาชฉยยันและดารินหัวเราะออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้มองดูพรานนำทางกับเจ้าคนช้ชาวดงด้วยอารมณ์ขันที่แทรกขึ้นมาอย่างไม่ทันรตัวต่างคิดอยู่ในใจว่าทั้งสองในะช่างทันกันไปสมดุดทุกฝีเทา้ายากชนิดกินกันไม่ลงเลย ระหว่างที่แงสายอึง้งทำตาปริบๆเหมือนจะจำน้นช้ยันก็พูดพลางหัวเราะพลางมาวะอ่ะต่อไปให้จบสิประโยคต่อไปให้จบประโยคสิผู้กองคุณคิดว่าเจ้าแงสายมันจะบอกว่ายังไงกระถามมันเองดีกว่าครับคุณช้ยันเขายกมือขยี้จมูกตอบมาเสียงคุ่นๆตายอย่งจ้องจอมพเนจร อ, อยู่เช่นนั้นเอาละแงสาย พระทุดงองค์ที่เลี้ยงเธอมานะท่านบอกไว้ว่ายังไงดารินกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะพยักหน้าถามอย่างขันขันเออคือท่านบอกไว้ว่าเงยสายตอบอ้อมแอมชำเลืองมองดูพรานใหญ่แวบนึงแล้วหลบตาใครก็ตามที่ถูกพิษว่านพระอาทิตย์ทำให้ตาค้างนอนหลับไม่ได้ก็จงแก้ด้วยร้างจืด อันจะดับพิษยาสั่งทุกชนิดครับก่อนแล้วรางจืดที่ว่านะมันอยู่ที่ไหนล่ะพรานใหญ่กันโชคเสียงลอดไรฟันออกมาไงสายไม่ตอบว่าอะไรหันไปรื้อย่ามด้วยอาการอิดอิดเ อ, อื่อนๆอื่นอนใจเดียวก็ค่อยๆชูสมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะเป็นรากไม้ยาวประมาณหนึ่งคืบออกมาชูให้ทุกคนเห็นระพินหันไปกระซิบกระชยยันว่า เป็นไงครับคุณชายยันมันน่าเหยียบไหมคุณสามคนคุยอยู่กับไอตัวดีนี่ไปก่อนเอะผมไปอ่ะขึน อ, อยู่ช้าผมอาจจะต้องเหยียบคอต่อมันแล้วเดี๋ยวคุณหญิงดารินก็คงจะเหยียบผมต่ออีกทีนึงละไม่ทันจบประโยคพรานใหญ่ก็สะบัดหน้าเดินผละไปทิ้งตัวนอนที่เดิมของเขาปล่อยให้คณะนายจ้างทั้งสามยังคงยืนล้อมแง่าสายอยู่ ไชยันปล่อย้ากออกมางอหายดารินหัวรอกรึกในลำคอแทนที่หล่อนจะโกรธเคืองแง่าย่กลับมองดูเจ้าคนใช้าชาวดงอย่างชอบอกชอบใจเฉยท้ายเองก็ทั้งขันทั้งเดือดใส่หน้าช้าๆนี่ไอเสือก็แล้วมันเรื่องอะไรที่แกมียาแก้อยู่กระตัวแต่กลับไม่ช่วยแก้ให้พวกเราปล่อยให้ตาค้างนอนไม่หลับอยู่ ว่าแกเองสิหลับสบายก็ผู้กองหรือใครก็ไม่ถามผมสักคำนี่แงาซตอบไม่เต็มปากนะักแล้วยิงฟันตามเคยช้ยันทำเสียงพรืดพรืด อ, อยู่ในลำคอเออจริงของพรานใหญ่ฉันเพิ่งจะเห็นชัดๆคราวนี้เองว่าแกนี่มันน่าเตะจริงๆพะพาที่เราทุกคนนอนกันไม่หลับเลยล้กขืนเปนอยู่แบบนี้นะพรุ่งนี้ก็เสร แพรแรงแย่จเจ้ากำลังที่ไหนเดินไปรบกับสางเขียวเสือกผูกไว้ให้แล้วไม่แก้ทั้งทั้งที่ก็แก้ได้เอาเอาสะ บ, บ้าชัยันขยับนางเท้าขึ้นมาอย่างอารมณ์เล่นมากกว่าจริงแต่ดารินเหนี่ยวไหลไวกระชากออกมานี่นี่อย่าทำไม่ตาพรานขี้โมโหขี้ใจน้อยโดยไม่มีเหตุผล น, น, นั่นไปคนเลยนอนกล่าวยิ้มยิ้มแล้วมองไปทางแง่ทรายหัวเราะเบ า, เบ า, เบา เรานี่ก็สำคัญมากนะแง้ทายเอาละถึงแม้ว่าจะทำเป็นไม่รู้ก็ขอให้รู้ซะเดี๋ยวนี้เลยนะว่าพวกเราทุกคนที่จะร่วมทางกันไปพรุ่งนี้ต้องการนอนหลับพักผ่อนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเองนอนหลับสบายซะคนเดียวแง้ทายฝานรากไม้ท่อนนั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยื่นแจกจ่ายให้แกเจ้านายทั้งสามบอกหน้าตาเฉยว่า อมไว้ในปากไม่นานนักจะหลับครับเอาไปแจกพวกเราให้ครบทุกคนยกเว้นพวกที่อยู่ยามเชษฐทาออกคำสั่งจอมพเนจรหลบตาลุกขึ้นเดินนำรางจืดไปแจกใจ่ายให้กับทุกคนในแค้มตามคำสั่งกึ่งบังคับของนายใหญ่คงเหลือแต่ระพินผู้นอนสูบบุหรี่แดงว่าบว่าบอยู่คนเดียวที่เจ้าแงซ้ายรี ร, รีรอรอไม่กล้าที่จะนาเข้าไปให้ ใจใหญ่ๆก็เลี้ยงเข้ามาหานายหญิงผู้กาลังจะแทกตัวเข้าไปในผ้าแบงเก็ตซุดตัวลงนั่งยิ้มแห้งๆอยู่ใกล้ๆทางด้านปลายเทา้าดารินเหลือไปเห็นเข้าก็เลือกคิ้วถามว่าทำไมเหรอผมไม่กล้าเอาไปให้ผู้กองครับหลอนหัวเร อ, เอรู้ตัวเหมือนกันเน่ะว่าเราน่มันกวนโมโหขนาดไหน องครักษ์พิเศษของหล่อ น, นิ่งเฉยไม่ตอบว่าไราดารินจ้องหน้าด้วยสายตาขบขันระคนเอ็มดูอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนเอาละฉันจะไปกับเธอด้วยตามมาปล่าวจบหล่อนก็ออกเดินตรงไปยังที่นอนของพรานใหญ่มีแง่ทรายเดินตามหลังเข้ามาด้วยระพินนอนสุบุรีมองเงียบเงียบอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ เดาไม่ถูกว่าน้องสาวคนสวยของนายจ้างมีธุระอะไรกับเขาดารินยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็บอกขึ้นเรียบๆว่าแงสายต้องการเอายาแก้พิษว่านพระอาทิตย์มาให้คุณก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนาย ห, หญิงไม่สักอีกฝ่ายย้อนมาห้วนๆชำเลืองมองข้ามหลังหล่อนไปยังร่างสูงใหญ่ที่ยืนสงบสำรวมอยู่เกี่ยวสิก็ก็ไม่กล้าที่จะนำมาให้คุณด้วยตัวเองสิ ก็มันรู้ว่าผมรอคอยที่จะเตะมันอยู่ก็เลยเอาบารมีของนายหญิงมาคุ้มตัวด้วยความจริงลักษณะของพรานใหญ่ระพินไพรวันไม่ใช่คนอารมณ์อ่อนไหวขี้ใจน้อยเลยสักนิดก็ เ, เป็นชายชาตรีทั้งแท่งนะแต่ผมไม่ชอบวิธีการแบบนี้ของเจ้าองค์รักพิเศษของคุณหญิงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วก็แปลกใจอยู่ตลอดเวลาว่าทาไมนายจ้างของผมจึงชอบนะัก ดูจะสนับสนุนให้ทายอยู่เสมอเจ้านี่หมายถึงพวกฉันทั้งสามคนน่ะเหรอนายผู้ชายของผมสองคนน่ะไม่กระไรนักหรอกถ้างั้นก็เจตนาว่าฉันคนเดียวสิไม่ได้ว่าแต่พูดออกมาตามความรู้สึกที่เห็นถ้ายังไม่โมโหไม่หายแล้วก็ฉันจะสั่งให้งเงาทรายขอโทษคุณไม่จำเป็น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 เอารากไม้นั่นมาให้ฉันด้วยเงซ า, ายส่งชิ้นของรางจืดที่ถือเตรียมอยู่ในมือไปให้นายหญิงแล้วพละไปเงียบๆดารินเดะสิ่งที่รับมาถือไว้ในมือขึ้นลงช้าๆคุณมีจุดอ่อนอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะนายพราบางที่คุณอาจไม่รู้ตัวก็ได้ก็ถ้าสารลยัยแพ่สูติแพ่ รวมทั้งบัตรนี้กำลังกลายเป็นจิตแพทย์ขึ้นมาด้วยจา ก, กรุณาบอกให้ทราบไว้บ้างก็ดีเหมือนกันบ่มขืงอย่างไงล่ะหมายความว่ายังไงไม่ทราบสำนึกบอกกับตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าในป่าและตนเองต้องเป็นใหญ่ไงใครจะมาเสมอทัดเทียมไม่ได้ไงเพราะเจอคู่ปรับที่ชั้นเชิงทันกันเข้าก็เลยคอมเมนตไม่ชอบหน้าไง คอยจ้องจะเอาเรื่องจับผิดมองในแง่ร้ายกันเสือเรื่อยไงรพินไพรวันผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วตาวาวแต่ชั่วขณะเดียวก็หัวเราะแผ่วเบาสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอาการเย็นเยือกดูเหมือนจะเย็นลงกว่าเก่าซะอีกเข้าใจวิเคราะห์มากติคุณหมอบางทีมันอาจเป็นจริงอย่างที่ว่านะั่ก็ได้แต่คุณหมอจะไม่วิเคราะห์ตัวบ้างเลยว่าทาไมนะ ในฐานะของนายจ้างดึกดื่นค่อนคืนอันสมควรจะเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับกลับไม่ค่อยยอมนอนมักจะลุกขึ้นมาปลุกลูกจ้างขึ้นชวนทะเลาะอยู่เป็นประจำอะ่ะดารินหน้าแดงกัดริมฝีปากเบาๆอึกอักอยู่ในลำคอแทบจะจำนนต่อถ้อยคำแล้วยืนยืดตัวตรงอย่างวายตัวนี่คอยรู้ไว้ด้วยนะนี่คือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริ ไม่ใช่คุณแสงโสมหรือว่ามาเรียฮอกมันฉันไม่ได้มีเจตนาจะมาตอแยอะไรคุณหรอกเรามีปากเสียงปีนเกลียวกันบ่อยครั้งอย่างที่คุณเรียกว่าทะเลาะก็เพราะเหตุว่าชะตาของเรานำไม่ถูกกันบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ต้องใช้ถ้อยคำกันอย่างรุนแรงเพราะความที่คุณไม่ปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นลูกจ้างที่ดีและฉันก็ยอมให้คุณแสดงความยะโสโอหังอย่างนั้นไม่ได้ถึงคืนนี้ก็เหมือนกัน ฉันไม่ได้มาทะเลาะอะไรกับคุณเห็นว่าคุณเอาแต่อารมณ์จะมีเรื่องกับแง่ทรายฉันก็มาขอโทษแทนแง่ทรายมิหําซ้ายังจะให้แง่ทรายกล่าวขอโทษคุณด้วยแต่คนใจแคบอย่างคุณก็ปฏิเสธเอาละ่ะขอโทษอีกครั้งถ้าคุณพิจารณาว่าฉันมาชวนคุณทะเลาะกล่าวจบหล่อนก็วางรางจืดไว้ให้โดยไม่พูดอะไรอีกหันหลังกลับเดินผละไปอย่างสงบปล่อยให้อีกฝ่ายนึง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 ตื่นขึ้นและพร้อมที่จะออกเดินทางได้ตั้งแต่ห้านาฬิกาเสร็จลู่ถูกแก้มัดออกจากก้อนหินเท้าทั้งสองเป็นอิสระสำหรับให้เดินได้โดยสะดวกคงมีแต่มือเท่านั้นที่ถูกมัดไว้แน่นนะป้องกันการต่อสู้หรือพลัหนีได้โดยสะดวกพรานใหญ่เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนหยุดรงหน้าแววตาของเขาเหี่ยมเกรียมเอาจริงเอาจังจาไว้นะเขาพูดเฉียบขาด เราต้องการไปถึงถิ่นของเจ้าอย่างเงียบที่สุดโดยไม่ให้พวกของเจ้าคนใดได้รู้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะต้องตายก่อนเป็นคนแรกลูกชายหัวหน้าเผ่ากินคนเสียดยิ้มในตานปนถลุมกลอกกลิ้งอยู่ไปมาแล้วมันก็เอ่ยขึ้นลอยๆแมลงสักตัวที่จะไต่เข้าไปในเขตของเราก็ไม่มีวันที่จะล่วงพ้นไปจากการรู้เห็นของเราได้ แต่ต้องได้ถ้าหากเจ้าเป็นผู้นำทางขาดคำระพินก็สวิงหมัดขวาปังก้อ้ที่ลิ้นปีอันเปล่าเปลือยของมันเสียงดังอเราก็ต่อยถุงใส่เจ้าลูผู้ไม่เคยกากำปั้นลวงทองมาก่อนร้องออกงอตัวงีกลงสีหน้าบูดเบี้ยวด้วยความจุกเสียดพิบตานั้นเองหลังมืออีกข้างหนึ่งก็ซัดเปรี้ยงกระทบโกกหู มนุษย์กินคนล้มตักแทงลงไปกริ้งอยู่กับพื้นขยินผู้กระเฮี้ยนกระหือรืออยู่แล้วก็โจนเข้าไปกระชากคอจิกหัวขึ้นจนหน้าไงขยินจะถลกหนังมันเองถ้ามันยังอวดดีอดีตนายบ้านลมช้างร้องออกมาดีมากขยินจะมีหน้าที่คอยคุมมันไว้ทุกก้าวขณะออกเดินทางเอามันให้งอมพระรามซะก่อน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 และชีวิตของตอนเองโดยอิสระและหาความจำเป็นคับขันสุดยอดมาถึงโดยการบุกเข้าโจมตีจากสางเขียวจนไม่สามารถต้านติดอีกต่อไปก็ให้ใช้ระเบิดที่ฝังไว้เป็นรูปป้องกันได้ทันทีเป็นครั้งแรกที่ช้ยันวางจุดหกศูนย์ูนย์ไนโตรเอ็กซ์เพรสคู่มือที่เคยใช้ประตาตัวอยู่ทุกขณะโดยทิ้งไว้ในแคมป์คว้าได้จุด37ห H H Magnum อันเป็นปืนซีแซตของมาเรียเองที่เจ้าของต้องถูกพรากจากไปโดยยังไม่รู้อนาคตมาเป็นปืนประจำตัวชั่วคราวเขาหยิบมันขึ้นมาพิจารณาดูพร้อมก็ถอนใจอย่างเศร้าๆพึมพังเองไปกะค่ะอย่าได้มีโอกาสแก้แค้นเอาตัวนายของเองคืนมาค่าะกับเองก็ไม่เคยมือกันมาก่อนอย่าเสือกทรยศขึ้นมาะละ